ไปขึ้นสกาธาคามีมัคขวิถีเอ๊ะ yeah. เมื่อสักครู่ได้พูดในเรื่องอะไรนะว่าอะไรนะเป็นปัจจัยแก่สัมมาสังกปะเมื่อกี้พูดว่างไงใช่สัญญานะสัญญาที่มั่นคงนะถึงจะเป็นปัจจัยแก่สัมมาสังกปะได้คือคําว่าพระหูสูตรเนี่ยเนะี่ย ต้องเข้าใจคํานั้นว่าถ้าอย่างนั้นจะเอาไปตรึกไปพิจารณาไปไตรตรองใข้ควรเนี่ยจะไม่ได้งั้นต้องมีสัญญาจําในพระธรรมของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะแต่เราเรื่องที่เราจะไปพิจารณาเนี่ยนะต้องจําต้องไม่เลือเล่อนนะต้องมีความจําที่ไม่เลือเล่อนซึ่งก็เป็นชื่อของสติอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะความจําที่มั่นคงเนี่ยความไม่เลือเล่อนเนะี่ยความไม่เลื่อนลอยเนี่ตรงนี้สําคัญมาก ถึงจะอุปการะให้สัมมาสังกปะเกิดขึ้นมาได้ฉะนั้นการตรึกพิจารณาเนี่ยในด้านของบุคคลที่ได้บรรลุมารผลนี่ท่านเหล่านั้นช่ำชองนีเออดูอนณาคามิมาร์นะดูสกาธาคารมิมาร์อนณาคามิมาร์และอรหัตธรมมาร์ที่ในมารค เ, เบื้องบนในชีดหน้า32มสิองนี่มาร์เบื้องบนสาที่ท่านทําก็ไว้สกาธาคามิมาร์ขวิถีเป็นต้น ดูในสกาธาคามิมกักควิถีน า, าคามีมกักคขวิถีแลกและแต่ามรรคขวิถีจะว่าไปตามลำดับนะผวังก็เป็นติเหตุกะภวังสิบสามทีนี้ต่อมาก็คือมโนปริกรม ร, กรมปริกรรมนี่คือมหากุศลญญาณนนสำมบยุตจิตสปริการรมอุปจาระอนุโลมแล้วก็โวธานไอ ต, ตรงนี้ไม่มีโคตรภูแล้ว ถ้าวิถีทุกอย่างเหมือนกับโสดาปริมาร์กวิถีเปลี่ยนแต่โคตรภูเป็นโวทานเท่านั้นตามบาลีที่มาในวิสุทธิมาร์กนั่นนะพระโสดาปริมาร์ท่านเรียกว่าโคตรภูในมาร์ก็วิถีนั้นโดยนิปริยัยเพราะทำลายเสียซึ่งโคตของปุถุชนแล้วก็ทําลายโคตและทําโคตรอริยะให้ปรากฏขึ้นได้นั่นเองใช่ไหมก็แปลว่าถ้าหากว่าเป็นโสดาปริมาร์กเนี่ย มีคำว่าโคตรภูนั้นเพราะโดยนิปริยายก็คือโดยการทําลายโคตรทาลายปุุชนโคตรโคตรของปุุชนนั่นเองนะโคตรของปุุชนคือทําลายได้หมดไหมทําลายโคตรปุตชนหมดไหมหมดเลยนะในดีกาของวิสุทธิมรตบอกว่าแม้มรตเบื้องบนต่อๆขึ้นไปก็เรียกว่าโคตรภูโดยโดยปริยายก็เหมาะเพราะเป็นมรตที่ผุดพ่องจากกิเลส เพราะทำพันิพานอันบริสุทธิ์ให้เป็นอารมณ์จึงเรียกวโวทานนั่นเองก็คือถ้ว่าโดยปริยายก็คือว่าเป็นมรรคที่ผุดพองจากกิเลสจากกิเลสเพราะทำพันิพาณอันบริสุทธิ์ให้เป็นอารมณ์จึงเรียกโวทานหมายความว่าโวทานที่เกิดขึ้นรับอารมณ์นั้นน่ะต่างจากโคตรภูที่เกิดขึ้นหน้าโสดาบีมรรคเนอะใช่ไหม เพราะในสมัยนั้นเนะี่ยโคตรพุภูนั้นยังอยู่ในฐานะเป็นโคตรบุรุชนอยู่เพียงทําท่าจะข้ามจากโคตรเนะี่ยแต่โวทานเนี่ยไม่ได้อยู่ในฐานะไปข้ามโคตรอะไรแล้วนี่เป็นอย่างนี้มองออกไหมตรงเนี้ย mm hmm. เมื่อบรรลุถึงสกาทาคายมรกระทาลายการมาราค้าพยาบาทที่อยากไม่ตายลงหมดได้เนี่ยอต่อ ต่อไปขึ้นสก่าทาคามิมักดังที่ได้กล่าวนะโคตรภูกับโวทานเนี่ยนะเพราะเป็นมักที่ผุดผ่องจากสังกิเละหรือสังกิเลสกระทํานิพานอันบริสุทธิ์ให้เป็นอารมณ์จึงเรียกวโวทานในขณะนี้ท่านบนรรลุอะไรสก่าทาคามิมักทําลายกามรมาลาฆาพยาบาทที่หยาบให้ตายลงได้หมดเหมือนกันแต่ประเภทอย่างหยาบนะมองอเห็นไที่เป็นโอลาลิกาอย่างหยาบ การมราคาที่ยังหยับหยาบอยู่ฮะได้ได้ได้สบสาสิบสาไม่เหมือนกับโสดาปริมาร์ถ้าโซดาปริมารได้ได้เก้าสก่าทาคามารไปทาในอารมปภูมิก็ได้ได้่โสดาปริมาร์ี่ได้เฉพาะใน การมาสุขติภูมเจ็ดแล้วก็รูปพูมสิบห้าเว้นอัสันเอ้ยไม่ใช่รูปภูมิก็ได้ไม่ถึงสิบห้าด้วยนะเว้นสุดทาวาสภูมห้าด้วยนะภูมิก็ต้องไปรายละเอียดด้วยนะในเรื่องภูมินี่ต้องไปรายไปดูรายละเอียดด้วยเนะีะเพิ่งนึกแวบขึ้นมาได้เมื่อสักครู่เนะี่เดี๋ยวไปดูสวดาปติมาศด้านภูมิมอ่ะนะได้รูปภูมิสิเท่านั้นนะเว้นสุดทาวาส แต่ถ้าสกาทาคาวีมากก็ยังได้รูปประภูมิสิบอยู่นั่นแหละแต่เพิ่มอารูปประภูมิแต่อย่าลืมนะว่ารูปประภูมิสิบเนี่ยแต่รูปรูปวิบากเขาได้ห้านะรูปวิบากเนี่ยได้ห้านะตัวตัวตัวตัวผวังเนี่ยตัวผะวังที่เป็นรูปวิบากใช่ไหมแล้วก็มหายบากยานนะสามประยยชน์อีกรวมเป็นเก้าใช่ก็เป็นสิบสามอือก็ไปแยกแยะให้ละเอียด ยังเหลืออยู่แต่การมราค้าปฏิค้าที่ละเอียดละเอียดเท่านั้นนะถ้าหากสกาทาคามีมากก็ฆ่ากิเลสประเภทนี้ได้เรียกฆ่าซะก็ดีเหมือนกันทีนี้กิเลสที่เหลือยังสามารถเป็นปัจจัยให้เกิดกามาภูมิได้อีกสองครั้งก็แปลว่าถ้าเป็นทศกาทาคามีเนี่ยแปลว่าท่านจะต้องกลับมาเกิดอีกนะในกามาภูมิคาว่ากามาภูมิโดยมากท่านอยู่ในสวรรค์นะไม่ใช้อยู่ใน ในมนุษย์ถ้ามนุษย์โด้มากไม่ได้อยากลงแล้วได้มากก็คือสวรรค์ก็คือในกากลุ่มกามาภูมินั่นแหละส่วนปัจเจเวคณาวิถีก็มีลักษณะเหมือนกันกันกนกนกนบโสดาปภิมากทุกอย่างนะไม่ต่างกันเลยพิจารณามากพิจารณาผลพิจารณานิพพานพิจารณากิเลสที่ละแล้วก็กิเลสที่ยังเหลือ <c oughs> ลกิเลสอะไรที่ละก็บอกว่ากามราคะและพยาบาทที่ยาก นั่นแหละที่ละได้เหลืออะไรเหลือกามราคาและปฏิฆาที่ละเอียดละเอียดเนี่ยที่เหลือก็พิจารณากลุ่มนี้แหละนี่เป็นอย่างนี้นะถ้าว่าโดยโดยวิถีจิตก็ไม่ต่างกันกับโสดาบดิมากนะไม่ต่างกันนะเอาต่อไปอนาคามิมัต อนาคามีมรคเนี่ยอนามีพระาอาริยบุคคลผู้ได้บรรลุสกาธาคามีมรคแล้วก็พยายามเจริญวิปัสนา10นะเริ่มตั้งแต่อุทยพย า, ยานตามลําดับตามลําดับเมื่ออนาคามีมรคเกิดขึ้นก็ทําลายการมราค้าปฏิค้าอย่างละเอียดให้ตายลงอย่างเด็ดขาดไหมเด็ดขาดหรือไม่เด็ดขาดอนาคามีมรคเนี่ยทำลายการมราค้าปฏิค้าเด็ดขาดไหมเด็ดขาดแล้วนะเพราะเชื้อของกาไม่มีเนื่องจากถูกอนาคามีมรคฆ่ า, าตายหมดเลย ท่านจึงไม่กลับมาเกิดในการมาภูมิอีกต่อไปไม่มีเชื้อในการที่จะต้องมาถือปฏิสนธิในการมาภูมิอีกแล้วถ้ายังไม่ได้รู้เป็นพระอรหันต์ในภพนี้แล้วจะตายแล้วจะต้องไปเกิดในพรมตามความสามารถของฌานนั้นๆตามความสามารถของฌานนั้นว่าฌานนั้นน่ะบวกด้วยอะไรใช่ไหมบวกด้วยอะไรบวกด้วยศรัทธาวิริยาสติสมาธิหรือปัญญาก็จะไปตามภพภูมินั้นน้มองออกไหม ว่าไหนแรงอัปการต่อไปก็คืออาราหัรรัะถ้าอาราตรรมั ก, ก็ทำความพยายามในการเจริญวิปัสสนา0ิบอีกครั้งหนึง่งอุทยาพยาญานสม อ, อุทยาพยาญานนิพิทายานพยาญานเป็นต้นไปนี่นะวิปัสสนาก็เกิดขึ้นจนถึงที่สุดจนสามารถเป็นปัจจัยให้อาราหธรรม ก, ก็วิถีเกิดขึ้นจะเป็นยังไงมโนปริกรรมอุปจาระ อนุรมวัวทานแล้วก็阿拉ตมัแล้วก็อ阿拉ตะผลสองขณะ น, นี่เป็นมันธานีแล้วก็ลงพวังถามว่าเป็นผู้มักขยานฆ่ากิเลสเท่าที่เหลือหมดนั้นในตายไม่มีส่วนเหลือเลยไม่เหลือแม้แต่น้อยเพราะเหตุที่ท่านเป็นผู้สิ้นจากสรรพกิเลส ท, ทั้งปวงท่านจึงไม่มีชาติเพราะอีกต่อไปมีนิพพานเท่านั้นเป็นที่เล่นอยู่ท่านใช้คําว่าหลีกเล้น หลังจากพิจารณาอาราธนามรก็ย่อมเกิดปัจเจเวคณะวิถีก็คือปัจเจเวคณะวิถีที่พิจารณามรกปัจเจเวคณะพิจารณาผลพิจารณานิพานและพิจารณากิเลส ท, ที่ได้ละไปแล้วเท่านั้นนะได้สี่วิถีเองปัจเจเวคณะวิถีไม่มีกิเลส ท, ที่เหลือจะต้องพิจารณาอีกฉะนั้นปัจเจเวคณะวิถีของพระหลานจริงได้สี่นะ คนบุคคลที่บรรลุเป็นพระอรหันต์หรืออรหัตมะเกิดแล้วชื่อว่าได้บรรลุถึงที่สุดของยาณทัทสนวิสุท ธ, ธินะ์ที่เนี่ยกิเลสที่ลกิเลสที่เหลือแล้วจะ ม, มีเวลา่ ม, มารคเิกผลเป็นอจะเาโสดาัมรคหรือว่าโอ้ยมาร์าาคที่ของท่านมาร์คของท่านดิ ใช่นนใช่ออ ใ, ใช่ใชเว้นไว้แต่ว่าท่านจะย้อนไปพิจารณาได้ที่ว่าท่านได้มาแล้วโดยมากตอนนั้นได้สกาธาคามีมรรคก็ได้โสดาปฏิมรรคก็ได้แต่ท่านจะต้องพิจารณานนัในที่นี้กล่าวไปพิจารณาโสดาไป อนาคามีมรรคของท่านมรรคของใครหรือถ้าอาราธมร ก, ก็อารหัตมของท่านปัจเจกในที่นี้ที่กล่าวถึงแต่ว่าท่านจะพิจารณามรรคนอกนั้นได้ไหมได้เพราะท่านได้มาแล้วแต่ถ้ายังไม่ได้มรรคเบื้องบนไปเอามรรคเบื้องบนมาพิจารณาไม่ได้ไม่ได้ไไดต่อไปดูการประหารกิเลสนะดูการประหารกิเลสของมรรคแต่ละมรรค มารคประหารฆ่าศึกหรือประหารกิเลสนะนะทำที่เป็นปฏิปักษ์โดยเฉพาะปฐมมาร์คกล่าวคือโสดาปฏิมาร์คเขาเรียกปฐมมาร์คใช่ไหมเป็นการได้มาร์คครั้งแรกนนิจจะสัญญานิจจจิตตานิจจะทิฏฐิอัตตาสัญญาอัตตทิฏฐิอัต ต, ต, ตจิตตสุภาทิฏฐิสุขทิฏฐิรวม8อย่างนี้วิปราชธรรม8อย่างนี้ใครฆ่าได้โสดาปฏิมารคฆ่าได้ นิจจะสัญญาความจําที่ไปจําหมายว่าเที่ยงนะนิจจะจิตตะไปคิดว่ามันเที่ยงนะอัตตะสัญญาไปจําว่าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยอัตตาทิฐิไปเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนไปเข้าใจไปเข้าใจว่าเป็นตัวเป็นตนอัตตะจิตตะอะไรจิตนี่เป็นอัตตาเนี่ยเข้าใจในลักษณะสุภาทิฐิเห็นว่างาม สุขทิฏฐิเห็นว่ามันเป็นสุขความรู้สึกตรงนี้วิปัสสนาทำแปดนี่พระโสดาบันฆ่าได้เลยโสดาปฏิมาฆ่าได้เนี่ยวิปัสาแปดอย่างปาณาติบาตอธินาทานกาเมสุมิจฉาจารมุสาวาตมิจฉาทิฏฐิอกุศลธรรมอกุศลกรรมบว ท, ทั้งห้าเนี่ยพระโสดาบันฆ่าได้ยังฆ่าได้แล้วใช่ไหมไม่ทำปานาติบาตแล้วไม่ผิดอธินาทานแล้ว ไม่ผิดกาเมสุมิจฉาจารแล้วพระอรหันต์ไม่พระโสดาบันไม่โกหกแล้วและพระโสดาบันละมิจฉาทิฐิได้แล้วฉะนั้นจึงไม่มีมิจฉาทิฐิอักุศุลธรรมห้าอย่างนิรันดได้ถ้ากล่าว่าผู้ทีได้โสดาบันจะเป็นอย่างนี้หรือไม่ใชคือในที่เขาได้โสดาบันแล้วแล้วจิตไม่ตกสูงประมาณเข้าหนึ่งสภาวะของบุคคลอย่างเดีนใครครับ อ๋อถ้าได้โสดาปฏิมาเกิดขึ้นกับท่านแล้วใช่ไหมท่านก็วิถีจิตที่ใช้ในชีวิตประจําวันก็เป็นมหากุศลเกิดขึ้นถ้ากิเลสก็ยังมีกิเลสที่ยังละไม่ได้ยังเกิดอยู่แต่กิเลสที่ละได้แล้วก็เด็ดขาดกับท่านไปหมดเลยทีนี้ให้สังเกตดูที่ว่าความเห็นของท่านเนี่ยท่านไม่มีนิจญาสัญญาแล้ว ไม่มีนิจญาจิตตาไม่มีนิจญาทิฏฐิ อ, fashion, อัตตาสัญญาอัตตาทิฏฐิอัตตาจิตตาหรือสุภาพทิฏฐิแล้วก็สุขทิฏฐิเห็นว่าสุขเนี่ยท่านไม่เห็นแล้วท่านบอกอุ้ยอัตภาพมีการไปเกิดว่าเป็นสุขมากท่านไม่เห็นอย่างนั้นแล้วเพราะท่านเห็นทุกข์มาเป็นอย่างดีแล้วเห็นว่างามเนี่ยพระโสดาบันท่านไม่ได้เห็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยไม่ได้เห็นอย่างนั roman, ้นเพราะท่านตึกพิจารณาเป็นอย่างดีใช่ไหมตรงเนี Mario, ้ย <inhos> อัตตาจิตตานี่ท่านก็ไม่เห็นว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วไม่เห็นจิตว่าเป็นตนแล้วไม่เห็นตนอยู่ในจิตไม่เห็นจิตอยู่ในตนแล้วอย่างนั้นเถอะหรือว่าอัตตาทิฐิเนี่ยคือไม่ได้ไปเข้าใจแล้วว่าไม่ได้ไปเห็นเป็นอัตตาแล้วเป็นอนัตตาเลยท่านเข้าใจอนัตตาดีระดับหนึ่งนัจนิติจาทิทิก็คือไอเห็นว่าเที่ยงนี่ท่านไม่เห็นเลยใช่ไหมท่านเข้าใจพระธรรมแล้ว ส่วนอกุศนธรรมกลุ่มปาณาติบาตอธินาทานการเมสุมิจฉาจานมูสาวาจนี่ท่านไม่มีเด็ดขาดและมิฉาทิฏฐิด้วยนี่นะทีนี้อกุสลธรรมอีกอย่างก็คือว่าที่ท่านฆ่าตายนะมรตโสดาปิมารฆ่าตายคือโลภะทิฏฐิขตสามปยุนตาะะจิตสี่วิจิกิจฉาสัมปะยุนตาจิตหนึ่งห้าดวงนี้โสดาปิมารฆ่าตายแล้วหมดแล้วเนะ่ยนะกระแสจิตหมดไปแล้ว หมดไปห้าอากุสโนธรรม5้าดวงหมดพร้อมด้วยเจตสิกธรรมในนั้นด้วยนี่เป็นอย่างนี้นะนี่คือโสดาปฏิมาร์ผมมัรถ้าเราพูดตามนัยยะของรัสตรกับสักยะทิฏฐิวิจิกิจฉาสีแลวพะตะปามาทหมดใช่ไหมเอาต่อไปทูติยมารคคือสกาทาคามีมาร์หานอะไรมีหน้าที่ฆ่าการมาราคะาปฏิฆายอยางหยาให้ตายลงเท่านั้น มีได้ทําฆ่าศึกอะไรให้ตายลงอย่างเด็ดขาดเป็นสมุเธเฉตาปรหารเช่นเดียวกับมรทั้งสามใช่ไหมเป็นโอราณิกะเป็นตนุอะไรตนุกราประหารใช่ไหมทําให้เบาบางใช่ไหมสากาทาคามีมรนี่ทําให้เบาบางทําอย่างหยาบให้หมดเหลือแต่อย่างละเอียดการมราคาและปฏิฆะนี่นะคือสากาทาคามีมรถ้านาคามีมรตัดที่ยมมร สุภาสัญญาเห็นไหมความจำํำความจําว่างามเนี่ยไปจําหมายว่างามเนี่ยพระโสดาบันสก่าธายังมีอยู่นะจําว่างามเนี่ยจิตตะสุภาษเห็นจิตว่างามเห็นไหมยังเห็นว่ากุศลจิตในงามอยู่นะอย่าลืมนะกลุ่มของพระพระโสดาสก่าธายังเห็นจิตงามอยู่ยังเห็น as, as, ความจำต่างๆยัี่สวยงามอยู่วิปรานนี้ถูกมากที่สามฆ่าตายเนียเนี่ยอนาคามีมากเนี่ยจะฆ่าความจำที่ว่าสวยความคิดเข้าใจว่าจิตนี้ยังสวยเอย๊ะถ้าอย่างเรามองใช่หมกุศลธรรมนี่ทำขาวใช่ไห ม, ไมสวยที่ถ้าพระนาคาบอกไม่สวยแล้วไม่สวยแล้วมิงั้นการมาราคาปฏิฆาอย่างหยาบเอออย่างละเอียดท่านกาา็ฆ่าได้ แล้วข้าข้าตายเป็นสมุทเฉทธาด้วยนะปีสุนาวาจาพูดส่อเสียดพระรุศวาจาพูดหยาบและก็พยาบาทอกุโตระธมทั้งสามนี้อนาคารมีมรรคข้าเป็นสมุทเฉทาประหารรวมทั้งโทสามูลจิตสองเกษิกที่ประกอบด้วยถูกมรรคที่สามข่ายังเด็ดขาดเป็นสมุทเฉทาประหารันในกลุ่มอกุโตระธำเ่าเนี้ยเห็นไหมว่า ให้สังเกตดูปิสุนาวาจากับพุทวาจากับพยาบาทไอพยาบาทแบบละเอียดนะยังหงุดหงิดยังอะไรนิดๆหน่อยๆฮะใช่ไหมบางทีไม่ได้หงุดหงิดที่จะไปคากรรมอะไรเลยนะงงทีหงุดหงิดตัวเองอะไรเงี้ยนะี่ทําไม่ทันใจบ้างอะไรบ้างนี่ยนะทั้งๆที่ความหงุดหงิดอย่างนี้ก็ไม่นา่าแต่จริงๆก็อย่าลืมเป็นพยาบาทนะบอกเลยนะเดี๋ยหงุดหงิดคนอื่นนะะเขาทํามไม่ทันใจหงุดหงิดส่งเล ย, เลยนะ เป็นบ่อยไหมใชอะไรเฮ้อะไรเงี้เ น, นีบางทีจะอธิบายใครฟังเหม่ไม่ก็แต่เขาเขาฟังแล้วดูคล้ายๆว่าเขาไม่เข้าใจคำพูดที่เราพูดยิ่งพยายามใหญ่พวกนี้กลุ่มพวกนี้ต้องรอนาคามีมากนะนนี่นะคือกลุ่มของตัติยมักส่วนจะตุทธมักคืออรหธรรมนะสุขาสัญญาสัญญาที่จำว่าสุขถ้านาคายังเห็น สุท้าว่าสภูมิสุขอยู่ไหมเห็นไหมเนี่ยยังเห็นว่าเป็นสุขเนะ่อย่าลืมนะยังจําว่าสุขอยู่เนะแล้วก็สุขขาจิตตาก็คือว่าแหมถ้าจิตสภาวะที่ไปอยู่ในภพนั้นเข้าสมาบัติของอนาคาอย่างนั้นจะสุขสักพันใดโอ้โหโดยเฉพาะการเข้านิโรธพระนาคายังติดนะอย่าลืมนะท่านจะมีความสุขมากที่จริงท่านสุขในกุศลเนี่ยนะถ้าอย่างเราเรามองเห็นก็น่าจะสุขจริงนะบางคนนั้นไม่อยากออกเลยเนี่ย ใช่ไหมใช่แต่เนี่ยจริงๆยังเป็นวิปลาสธรรมนะครับยังเป็นวิปลาสธรรมอยู่ลองมาพิจารณาดูนะคนที่จะออกจากวัตะได้จริงๆเนี่ยโอ้โหต้องไม่หวั่นไหวในโลกธรรมจริงๆและต้องไม่วิปลาสจริงๆเนี่ยต้องมีวิปริตในความคิดจริงๆเนถ้าวิปริตในความคิดแล้วเนี่ยจะออกไม่ได้ที่สจริงๆก็ไปเข้าใจสุขบางอย่างว่าสุขอยู่นั่นแหละถูกมากที่สี่ฆ่าตายอย่างเด็ดขาดเนี่ยสัมภป ร, ราปะ คำว่าพูดบางทีแบบบางบางการเนี่ยนะนะบางการบางจังหวะหรือว่าพูดไอ้คำว่าเพื่อเจอเนี่ยอที่จริงคําพูดที่หลุดมาออกมาบางทีไม่ค่อยมีประโยชน์เนะไม่เป็นประโยชน์ในประโยชน์สามนะไม่เป็นประโยชน์สามนะมีไหมพวกคำพูดคำพวกเราเนะี่ยที่พูดแล้วมันไม่อิงประโยชน์สามเลยนะบ่อยไหมพูดไปแล้วไม่ได้อิงประโยชน์สามเลยไม่ได้ประโยชน์ในพบนี้ประโยชน์ในพบหน้าโดยเฉพาะคือ ไม่ได้เป็นปัจจัยแก่ประโยชน์อย่างยิ่งเลยบ่อยไหมคำพูดประเภทนี้คำพูดที่ยังพูดไปพูดมาเลยขัดขวางประโยชน์อย่างยิ่งอยู่เรื่อยเนี่ยเคยเป็นบ่อยไหมบา <c oughs> งทีพูดเคยพูดไปพูดมาขัดปรมัตประโยชน์อยู่เรื่อยเนี่ยโอ้โหต้องระวังสัมผัสปลาปะให้ดีเนี่ยยังจะอบ่อยไมบ่อยคำพูดแบบนี้ไม่ใช่ ใช่พระนาคายังมีบ้างยังมีบ้างคําพูดที่ที่ไม่ที่เป็นสัมผัสปราปากแต่แต่สัมผัสปราปากของพระนาคากับสัมผัสปลาปากของเราในต่างกันนะสัมผัสปลาปากของพวกเราเนี่ยของกลุ่มที่ยังล่อะไรไม่ได้จะตกนรกไหนะสัมผัสปลาปากเกิดกับพระโสดาบันสกธ า, าอนาคาตกนรกไหมไม่ตกหรอก ต้องดูกําลังดูวิธีดูหลักไม่ใช่บอกบางคนเอาไปอ้างกันยังกันเนี่ยอุ้ยก็ขนาดผ้านาคายังละไม่ได้เนี่ยแสัมผัสปราป่าเนี่ยยอมก็ต้องมีมั่งเนี่ยแต่มันต่างกันเลยเนี่ยมีมั่งเนี่ยเพราะเรามีน่ยมันตกนรกทําไมเร า, เ, ร า, เ, ราเกิดกับเราทำไมถึงตกนรกเพราะอะไรอ่ะถ้าครบกรรมบวนจะตกถ้าครบกรรมบวนจะตกของของท่านเกิดแต่มันไม่ครบ มันไม่เป็นปัจจัยกับการลงอบียนะว่างนั้นเถอะเพราะท่านปิดได้แล้วใช่ไหมมันเหมือนประเภทเดียวกันแต่กำลังต่างหรือหนักเป็นที่ให้ลวอนเจอจางให้สังเกตดูนะว่าจมันมันอย่างนี้มันมันเหมือนกับบอกว่าอประตูบายท่านล็อกสนิทแล้วใช่ไหมท่านจะทําเหมือนทําผิดทําอะไรอย่างเราเนี่ยเหมือนกรณีเป็นบุคคลที่ยกเวน้น บอกทาขนาดไหนก็ทําให้เถอะแต่ไม่มีสิทธิ์ลงอะไระบายท่านผูนี้แต่อย่างเรานี่ไม่ได้เลยเราไม่ได้เป็นล็อกปิดตายตรงนั้นประตูนรกอะประตูอาบายภูมิเราไม่ได้ไปปิดตายนี่พอไม่ได้ไปปิดตายนี่เผอแว บ, บเดียวล่วงไปซิกแล้วเผลอแว บ, บเดียวพวกจับโยนลงไปซิกแล้วอยู่อย่างเงี้ยแ้วกลับมายังไม่เข็ดนี่ไม่คุยโตอีกเนี่ยไม่ยอมเข็ด ตอนั้นเรากลับมาใหม่ยังมาคุยอวดอ้างเป็นบัณฑิตกันอีกนะบางอย่างนะนึกถึงตนเองนะถึงเนี้ยมันนึกโอ้เรานี่บางทีมาอ้าวมาเป็นผู้รู้บ้างอะไรบ้างบอกแม่บางทีเทวดาเขาเห็นเขามองเขาคงยิ้มละอาใจนะบอกโ อ, โอขนาดเพิ่งขึ้นอย่างนรกไม่นานเนี่ยยังไปเที่ยวคุยป๋อยิ้มอีกกังวลนั่นน่ะนีหน้าเนตอนาตัวเองไหมพักคิดอย่างเงี้ย บอกโอ้เนี่ยเมื่อไม่นานมาเท่าไหร่เนี่ก็ยังเพิ่งดำผุดดำไาวในนรกอะพอทําท่าหายใจคร่องกัาหน่อยแล้วคุยปอด็กมองออกเยอะไงเนี่ยนี่เป็นอย่างงี้แล้วอีกอย่างหนึง่งทิฏฐิขตาวิปยุติจิตสี่ดวงโลภะทิฏฐิขตาวิปยุติจิตสี่ดวงอุทธะสัมยุตย์คือโมหะดวงที่หนึ่งเนี่ย เ, ยเออดวงที่สองสิรวมห้าดวงเนี่ยถูก อรารมารกนะฆ่าตายเลยอราราตามารก่เด็ดขาดด้วยนะเนี่ยดูตรงนี้มารกสี่มารกมีคูณด้วยฌานห้าเป็นมารกยี 20, ่สิบเมมารกสี่มารกไอโซดาปฏิมารกสากาทาคามีมารกอานาคามีมารกและอราราธมาร์กเอาปฐมฌานทุติยฌ า, านตัติยฌานจตุติฌานปัญญามฌานมาคูณเป็นยี่สิบมารกแล้วคูณด้วยติด ข, ขาและมันท่าอีกสอง เป็น 40, คูณด้วยปฏิปทาสทุกขาปฏิปทาเป็นต้นเป็นร้อยหคูณด้วยธิบดีสี่ฉันทาวิรยิยะจิตตาวิมังสาก็เป็น640สิบมรคแล้วคูณด้วยวิโมกสวิโมกสมีอะไรอ น, นิมิตตวิโมกอปนิหิตาวิโมกสุญญาวิโมกก็าาอีกก็เป็นหนึ่งเออหนึ่งักรรคเป็น1920รมรค ต้องการให้รู้ว่าจริงๆเขามีมากมักเนี่ยมากันเยอะไม่ใช่น้อยคนที่จะบรรลุเนี่ยโอ้ยเป็นมักเดีย ว, มยวไม่ได้ลคะครมาจากอะไรคูณด้วยอะไรนี่ท่านคิดโดยพิสดารใช่ไหมอย่างยกตัวอย่างเช่นถามว่าวิโมกเนี่ยต้องมีทุกคนไหมล่ะต้องมีทุกคนแต่ว่าบางคนก็มาอ่านนิมิตตาวิโมกแต่บรรลุคนที่ได้บรรลุก็ต้องผ่านอา น, นิมิตตวิโมกบ้าง อปปนิหิตาวิโมกขโมกบ้างหรือสุญญตาวิโมกขโมกบ้างใช่ไหมใช่ล้นจะมาเอามาสายอ น, นิจจังทุกขงังหรื อ, อนัตตางี้หรือในขณะนั้นอาทิบดีใช่ไหมฉันทาวิริยจิตตาหรือวิมังสามาเป็นอาทิบดีหรือปฏิปทานั้นเป็นบุคคลกลุ่มไหนกลุ่มประเภททุกขาปฏิปทาทันทาวิญญาหรือเปล่าปฏิบัติลําบากปฏิบัติลําบากบรรลุกชรช้าเปล่า หรือทุกขาปฏิปทาขิปปาปิญญาปฏิบัติลําบากบรรลุเร็วเปล่าหรือสุขขาปฏิปทาทันทาปิญญาปฏิบัติสบายแต่รู้ช้าเปล่าหรือสุขขาปฏิปทาขีปปาปิญญาปฏิบัติก็สะดวกรู้ก็เร็วเปล่าไอ้ช้าเร็วตรงนี้ก็ดูตัณหามากหรือปัญญามากก็เนี่ยท่านคิดมาแค่นี้คือโดยสูตรท่านคิดไว้แค่เนี้ย แต่ถามว่าเราจะไปคิดมากกว่า น, นี้ได้ไหมถ้าเอามาเออลองเอามาดูทีตอนี้ก็ยังคิดไม่ออกเลยตรงนี้แต่ถ้ า, าว่าคิดมันก็น่าลงถ้าลงกันได้กนเอาได้ไม่ยอมจะรีคิดให้มากกว่า น, นี้หมดแล้วนะเอทถ้างั้นหมดก็หมดตามวันหมดแล้วนะตอนนี้สรุปหน่อย สรุปมรรควิถีทั้งหมดผวังต้นและผวังท้ายของวิถีเป็นตีเหตุตุกกาผวางสิบสามนีบริบูรณ์เลยนะถ้าเอาทั้งสี่มาในโสดาปฏิมรรคกวิถีปัญจโวการาตีเหตุตุกก า, าวังใส่แค่เก้าใช่ไหมหมหายบากยายหน้าสามปุยุติจิตจีรูปวิบากห้าไม่ใช่ถ้ากล่าวรวมทั้งหมดเนะ่ ก็เอานี้วิธีคิดก็คือเอาตีเหตุกขะผวังสิบสามมาตั้งแล้วก็กระจายไปตามมรรคในติเหตุทุกขะผวังสนะนะนะิบสานั้นนะนะหมายบากยานนะั่สามยุติจิตสี่โรวิบากห้าอรูปวิบากสีรวมเป็นสิบสามดวงนี้คือตีเหตุกขะผวังสิ13าในติเหตุกขะผวังส13สามนีามาแยกว่าถ้าโสดาปฏิมรรคควรจะได้ผวังเท่าไหร่ก็ได้เกา้าเว้นอรูปผวังออกไปถ้าสกาทาคารมรรคอนาคารมรรคและอารนะัตมรรคได้ รวังสิบสามเลยเนี้ยมีเป็นอย่างไ น, นทีนี้กามตีเหตุการชาวนาที่เกิดอยู่หน้ามร์หน้ามร์ขชาวนะถ้าเรียกมร์ตอนนี้เรียกว่ามร์ขชาวนะแล้วเนียก็แปลว่าการตีเหตุการชาวนะเข้าใจคําว่ากามตีเหตุการชาวนาไหมชาวนาที่ ม, ทมีเหตุสามอ่ะถ้าเรียกอย่างนี้ก็เข้าใจกันนะเรเรียนวิธีการตีเหตุการชาวนาในที่นั่นคือ มหากุสนยาณสัมปยุตเจ็ดสีมหากริยาญาณสัมปยุตเจ็ดสีที่เกิดอยู่หน้ามรรคชวนะก็คืออะไรปริกรรมอุปจาระอนุโลมโคตรภูหรือววทานเนี่ยนะหรืออนุลมหรืออะไรว ะ, ระอุปจาระอนุโลมโคตรภูหรือโวทานก็ว่ากันไปเป็นชาวนะนะเป็นมหากุสนญาณสัมปยุต4ี่ดวงทีนี้ท่านในในมาร์กยกตัวอย่างท่านในปฐมทุติยะ ตติยะแล้วก็จะตุทธทะทชาญปฐมชาญ ท, ทาาุติยชาญตติยาชาญเนี่ยนะแล้วถึงอะไรถึงจะตุทาชาญมร์เนี่ยมหากุศลที่เกิดอยู่หน้าต้องเป็นมหากุศลต้องเป็นโสมนัสมหากุศญาณสัมพยุทธ์นะคู่ที่หนึ่งนะถ้าเป็นปัญจมชานมร์เป็นอุเบขามหากุลักษณะที่เป็นอนิจจังลักษณะที่เป็นทุกขงัง ลักษณะที่เป็นอนัตตาที่จริงท่านใช้คาว่าอ น, นิจจารักษณะทุขลักษณะและอนัตตลักษณะแสดงว่ามาถึงจุดตรงนั้นแล้วเนี่ยแล้วแต่ว่าจะเพ่งลักษณะไหนแล้วท่านบูนนั้นนะใครและที่จริงท่านท่านํำนานมาทั้งสามลักษณะนะั่นแหละแต่อะไรที่แรงมันเหมือนว่าถ้าไปอุปมากันเล่นๆนะนย อุปมาเล่นเล่นเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงไปจนจะเข้าประตูแล้วเนี่ยก็มีคนจะยิงอยู่สามคนนะี่จะให้ก็ยิงว่างั้นนะแต่จะพูดอย่างนี้เดี๋ยวจะหาว่าอุ้ย uh, ทำไมเอามาร์กมาไปเปรียบอย่างงี้ล่ะเขาบอกว่ า, าการอุปมาอุปมาอถ้าอุปมาแล้วมันไม่เคยเข้าท่าก็าให้ทิ้งไปนะโดยมากท่าในพระไตรปิฎกในอัตถกถาเขาอุปมาจะชัดกว่าที่เราอุปมากันเองนะแต่ตัวนี้ก็พระอุปมาอย่างที่เรายกขึ้นมาอย่าเงี้ยมันมันไม่ชัด อาจารยวิธีาาี่ดนมากีาไม่มีมหากริยาเออไม่มีไม่ขอโทษทีเออเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์พูดมหากริยาด้วยเลยอ๋ออ๋อเมื่อกี้ไปพูดผิดเนี่ยการตีเหตุการโชณะเนี่ต้องเป็นมหากุศลอย่างเดียวนะ นันต้องต้องต้องแก้เลยบางทีต้องเป็นมหากุศลอย่างเดียวไม่มีกิริย า, ยายใช่เมื่อกี้ถ้าพูดหลุดออกไปนี่แปลว่าหลุดนะแปลว่าหลุดไม่ต้องเรียบใครไปเห็นในมวนเทีบที่อ่านไว้ก็ใช่ไปลบๆให้เลยแต่คนฟังไม่ดีตําหนิก่อนเลยบอกเฮ้ยเป็นไ ป, นปนได้ยังไงอะไรที่จริงไม่ได้จริงๆสวัสด การติเหตุการ์ชาวนาที่อยู่หน้าโสดาปริมารคก็ต้องเป็นหมห า, ica, า, ามกุศลการติเหตุการ์ชาวนาที่อยู่หน้าสกาธาคาวิมาร์อนาคาริมาร์กและอาหัารมารคก็ต้องเป็นหมหากุศลนหมดเลยถ้าเป็นหมหากุศลโสมนัสยานนะสมยุทธคู่ที่หนึ่งก็ต้องเป็นปัจจัยให้กับปฐมมาร์กทาากุติยามาร์กตัตยมาร์กและจตุทธมาร์คือมาร์กที่เป็นโสมนัส น, น, นะนะแต่ถ้าหากหมหากุศลคู่ที่สคู่ที่ส า, สาก็คืออุเบขานเนั่นแหละ ยาณสัมปยุทธนั่นแหละมหาอุษลเวขายาณสัมปยุทธนั่นก็เป็นปัจจัยให้กับปันปนจมักมักที่ห้านี่เข้าใจยังไงอันนั้นหมายถึงว่าโดยพิสดารออกไปทีนี้การเป็นติดขาบุคคลเกิดการติเหตุการ์ชาวนาสามครั้งเกิดผลชาวนาอีกสามครั้งใช่ไหมเป็อนุโลมอุปเจ้าลอนุโลมโวทานหรือโคตรภูนี่สาม มาร์กอีกหนึ่งครั้งผลกี่ครั้งผลสามครั้งนี่เป็นเงน้นถ้ามาร์กนี่ครั้งเดียวอยู่แล้วเนี่ยมาร์กจะเกิดกับบุคคลคนหนึ่งได้เพียงครั้งเดียวโซดาปฏิมากเคยเกิดแล้วจักไม่เกิดอีกตลอดไปไม่ใช่พา ไ, ไปพบใหม่ก็ต้องไปทําโซดาปฏิมากใหม่ก็ไปเข้าใจอย่างนี้อย่าไปเข้าใจเด็ดขาดฮะคนละอย่างกันกรรมนี้ได้แล้วได้ครั้งเดียวต่อไปก็เป็นแค่ผล ทีนี้ในการพิจารณามากพิจารณาผลพิจารณนิพานเป็นหมหากุศลเป็นมหากริยาญาณสัมยุตแปดดวงขณะที่พิจารณากิเลสเป็นต้นเนี่ยที่ละหรือที่เหลือนี่ก็ใช้หาใช้หมหากุศลมหากริยายอันนั้นก็ถ้าใช้หมหากริยาก็ต้องเป็นของพะอ ร, นะระอรหันต์นะปัจเวกขนาของพระเศขารุคลเป็นปัจจเวก ข, ของกุศลชาวนาะถ้าเป็นปัจจเวก ข, ของพระอหรหันต์เป็นหมหากริยายชาวนาะ ปฐมมารคือโสดาปฏิมากเกิดได้เฉพาะในปัญจโวการภพเท่านั้นส่วนมารคที่เหลือสมข้างบนน่ะนะโซดาสกาาคามาร์กนาคามาร์กและอาทมาร์เกิดได้แม้ในปัญจโวการภพและจตุโวการภพก็แยกกายละเอียดตรงนั้นไปนี่เป็นนี้นะนี่ผ่านและทางด้านของมารคทั้งสมีโซดาปฏิมาเป็นต้น มีมีข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องของมาร์กไหมนี่พูดลวกๆๆกๆวกๆชีดูดูดูดูเหตุผลนั้นประกอบด้วยไม่มีแล้วใช่ไหมหรือมีอะไรอย่างอื่นไหมไม่มีเดี๋ยวการไปคิดองค์ธรรมก็ลองไปดูอีกทีก็แล้วกันในมารกเบื้องบนดูหน่อยดูในชีตหน่อย เ, อเดี๋ยวจะไม่ละเอียดอาการว่าโดยบุคคลว่าโดยบุคคลเนะถ้าในถ้าใน มักเบื้องบนสาได้บุคคลสาโซดาปฏิผลหนึ่งสกาธาคามีผลอานาคามีผลหนูไงอันนี้ว่าโดยบุคคลแบบไม่ได้แยกละเอียดยิบเลยนะไม่ได้แยกละเอียดยิบ <c oughs> เหมือนสกาธาคามีมักเออเหมือนกับมักเโสดาปฏิมาเขาวิถีอะ่ะได้บุคคลเดียวใช่ไหมได้บุคคลเดียวถ้าแต่ก่อนเนี่ยเขาแยกละเอียดอย่างนี้นะบางแห่งเขาแยกอย่างนี้มนโน ปริกรรมอุปจาระอนุโลมโคตรภูนิติเหตุกับบุรชนหนึ่งเซดาปฏิมักนี่เป็นมักข้าบุคโสดาปฏิมักบุคคลหนึ่งเสรินโสดาปฏิผลเป็นผลและบุคคลหนึ่งได้บุคคล3นะอันนี้ว่าบุคคล12มาเปรียบเทียบอันนี้ก็แยกอย่างนี้แยกให้ถูกนะถ้าจะแยก อ, อารมณ์กัมโนมาคุศลญาณสัมยุทธ ขณะทำหนาที่บริการมุปจารานุโลมมีไตรลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์มันนี้เป็นของโสดาปิมักขวิถีขณะที่อยู่หน้าโคตรภูโคตรภูและโสดาปิมัคโสดาปิผลมีนิพพานเป็นอารมณ์มันก็แยกกันส่วนในมักขวิถีอันนั้นก็แยกไปเองนะถ้าหากเป็นของอสกาทาคามีมักอนาคารีมักหรืออรหัตมกักทว่าโดยบุคคลในที่นี้เขาเอา ท่านกล่าวรวมสกาในบุคคลสามโซดาผลสกาทาคาผลน า, นาคาผลถ้าจะแยกให้ละเอียดอย่างเมื่อสักครู่ที่อาจารย์พูดไปอันนั้นเขาก็แยกอีกวิธีหนึ่งสําหรับบางกลุ่มนะถ้าสมัยก่อนถ้าอาจารย์สอนก็แยกเลยอย่างยกตัวอย่างถ้าเป็นสกาทาคามีมากเขาวิธีวิธีแยกบุคคลเนี่ยอาจารย์ก็จะบอกว่าได้อะไรโสดาปฏิผลหนึ่งใช่ไหมในมโนปริกรารบุปเจรละ อนุโลมหรโวทา น, นเนี่ยนะอันนี้เป็นโสดาปฏิผลส่วนมาร์กนั้นเป็นสกาทาคามีมาร์กผลก็เป็นสกาทาคามีผลก็ได้เท่าไหร่ได้สามบุคคลไปแล้วก็แยกอย่างนี้นแล้วก็อนาคามี อ, อนาคามีมาร์กอดาดัมมร์กก็ไปแยกลักษณะอย่างนั้นอันนั้นก็ให้รู้ไว้ทั้งสองวิธีในการคิดส่วนภูมิสกาทาคามีมาร์กได้กี่ภูมิ อนาคามีมรรคกวิถีอาหาตมารรคกิวิถีถ้าสกาคาคามีมรรคได้อนาคามีมรรคได้ยีบเอภูมิการมสุตติภูมิเจ็ดรูปภูมิสิบเว้นอะไรสุดทาวาสภูมิห้าอสัญญาสัตภูมิหนึ่งและอารมณนี้ไม่ได้เว้นได้ภูมิ21เดเว้นไปเท่าไหร่เว้นหทําไมอนาคามีมรรคไปทําในสุดทาวาสภูมิห้าไม่ได้อนาคามีมรรคไม่ได้ถ้าอนาคามีผลน่ะได้นะนะ ไปไปทําไม่ได้เลยบนนั้นน่ะถ้าเป็นพระสะการ า, าคามีจะไปเกิดอยู่บนโน้นแล้วไปทำนาคามีมากนะ่ะไม่ได้ได้ที่ไหนล่ะเพราะตนเองจะเอาคุณสมบัติอะไรไปอยู่ในภูมินั้นต้องเป็นพระนาคามีก่อนถึงจะมีคุณสมบัติในการที่จะไปถ้าเป็นพระนาคามีก็ต้องสมบูรณ์ด้วยแหละสมบูรณ์ด้วยศรัทธาศรัทธาก็ไปอยู่ในชั้นอวีหะเป็นต้นไง สัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาถ้าปัญญาก็อยู่ในชั้นอคติฐาภูมกิก็แยกให้ถูกนี่นะส่วนอนาคามีอรหัตมาขวิถีนั้นได้ยี่หกภูมินะเว้นอบายภูมิก็เว้นอสัญญาสตภูมิเท่านั้นเลยนอกนั้นพระอรหันต์มีอยู่ตั้งยี่สิบหกภูมิพูดตรงนี้ก็น่าอุ่นใจนะพระพระอรหันต์มีอยู่ยี่สิบหกภูมินะฉะนั้นถ้าถามว่าในปัจจุบันพระอรหันต์ยังมีอยู่ไหมโอ้ยมีมาก ต้องบอกว่ามากไม่ใช่น้อยนะมากไหมก็ต้องบอกเขาบอกพระหักฐาไม่มีอยู่แค่ห้าภูมิแค่นั้นเองอภูมิไหนในอบายภูมิกับในอสัญญสัตตภูมิน่าอุ่นใจไหมว่ายังมีพระหลักฐาอยู่นไ ม, มยังมีพระหักฐาอยู่ตั้งยี่หกภูมิม อ, อ่ายี่สกภูมิยังมีพระหลักฐาอยู่จะไหมหน้าภูมิใจนะ ให้เราไม่ภูมิใจเลยนะบอกท่านได้แล้วแต่เรายังไม่ได้อันนี้ในะกลุ่มที่กลุ่มที่ท่านบนรรลุพลาาระอรหันต์แล้วแต่ท่านยังไม่นิพพานนะกับกลุ่มที่ท่านไ ป, ไปทําอารหรตัตธรร ม, มกเกิดขึ้นใหม่ก็มีอยู่เพราะมีพระเดียบบุคคลอยู่ท่านก็ต้องเล่งของท่านอยู่แล้วใช่ไหมใช่ถ้าเล่งมากกว่าเราเนะี่ยคนที่เป็นพระนาคาเนี่ยน่าจะเล่งมากกว่าเราเล่งในการที่จะเจริญจะเจริญอะไรมากๆ ก, กว่าเราคนที่ คนที่เคยลาเกลิดมาได้เป็นส่วนมากแล้วนี่ไอ้ที่เหลือเป็นส่วนน้อยอย่างนั้นแนละ้วก็แปลว่าท่านเห็นโทษมากใช่เห็นการเห็นการอยู่ในเกลิดมีโทษอย่างยิ่งวิถีจิตยังเป็นที่นอนของเกลสอยู่ท่านก็ไม่สบายใจนะท่านไม่ใช่สบายใจว่าจนสุรีสบายใจไหมถ้าในบ้านนะมีโจรมีโจรมาซ่อนตัวอยู่ในบ้าน สบายใจไหมนอนอย่างสบายใจได้ไหมใช่ไหมดังนั้นถ้าหากว่ากิเลสเนะี่ยยิ่งกว่าโจร น, นะที่ยังนอนอยู่ในกระแสจิตเนะี่ยก็สะดุ้งบ่อยๆใช่ไหมให้มันสะดุ้งบ่อยๆมันมันนอนอยู่แล้วมันวางแผนตลอดนะมันวางแผน <c oughs> ให้ช <c oughs> ่เห็นไหม <c oughs> นั่นน่นบอกว่าโจรที่มันอยู่ในกระแสจิตเนี่ยให้รู้เลยมันไม่เคยเป็นมิตรเลยเป็นอมิตรภายใน เป็นเพชะขาดภายในเป็นศัตรูภายในนะจริงๆแล้วมันเป็นโจรหรือเปล่าเราเราเรียนมาขนาดนี้แล้วเวอาถ้าอย่างนั้นก็เตรียมนอนสะดุงแล้วอย่าไม่ใช่สะดุ้งธรรมดานะวันดีคืนดีนะหมดเนื้อหมดตัวเลยนะไอ้เนี้ย ไอ้คำว่าหมดเนี่ยมันจะเผาขันเราเนี่ย <c oughs> ขันที่เราจะต้องไปเกาะไปนะั่นนจะเผาอยู่ตลอดเวลาเนะี่ยนั่นแหละคือเราครบโจรเนี่ยเสียหายแนย่วิบัติแน่ <c oughs> ถ้ายังไม่จัดการเขาออกจากเรือนหลังนี้จากคูหาจากถ้านี้ทำไมโอ้ยทาไมได้จัดการเขาออกนะี่ยเสียหายถ้ายังแยกแยกไม่ออกเลยแล้วจะโทษขนาดหนักยังไปเดินเที่ยวเตกอดคอร่วมกับโจรอยู่แล้วก็ เจ็บปวดแน่ชีวิตนะให้ท่องกัาไว้เลยเพราะว่ า, วาเจ็บปวดเจ็บปวดอันนั้นก็แล้วแต่นะแล้วแต่ใครจะก็ให้เ ข, า, ข า, า, แาแสดงว่าเขาเคยยุ่อยู่ตลอดเวลา mm hmm. เราผิดพลาดอยู่เรื mm ่อ hmm. ยส่วนอารมณ์นะมโนทวารวัชนะมหากุศลญาณนะสัมปยุตติจิตสีขณะที่ทาหน้าที่บริการอุปจาระอนุโลม มีพระไตรลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์จะต้องใช้คําว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยถึงจะถูกต้องคำหละ่ะบางคนไปบอกว่ามีลักษณะสามนั่นแหละเป็นอารมณ์คําพูดอย่างนี้ไม่ตรงมันจะรับครั้งเดียวกันสามลักษณะไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้ตรงนี้ต้องระวังกันเวลาอธิบายอาจารย์เขาจะต้องอิงหลักไว้เงี้ยถ้าถอยออกจากหลักเมื่อไหร่เนี่ย <c oughs> อย่าไปแสดงความคิดเห็นมากเลยนะเรื่องวิถีสูงสูงแบบนี้ ว่าตามว่าทำไขาหน้าที่โวทานและมารคเบื้องบนสเนี่ยนะเอ๊ามารคหนึ่งมารกก็ขยายเป็นพิสดาร5มารคใช่อย่างสกท า, าคามีมารคกจิตหนึ่งหรือห้าอนาคามีมารคกจิตหนึ่งหรือหาอรหัตมารคจิตหนึ่งหรือหาหสาครั้งเป็นเท่าไหร่บแล้วมผลจิตก็มีเบื้องบนก็มี3หรือ15นั่นแหละมีนิพพานนั้เป็นอารมณ์ แล้วแต่ว่าเราจะใช้แบบพิสดารหรือหรือแบบย่อโดยมากท่านท่านเอามาทั้งหมดนะก็ก็นี่คือสรุปมาครคขวิตีเป็นอย่างนี้ต่อไปก็คงจะขึ้นพระสมาบัตและพระสมาบัติเดี๋ยวศึกษาในเรื่องของพระสมาบัติต่อไปในผลสมาบัตรหรือพระสมาบัตเนี่ยนะก็ยกตรงนี้ให้ฟังนิดหนึ่งทําไมพระ โซดาบันสากาธานาคาและผ้าละหันเนี่ยเมื่อท่านใดแล้วทําไมต้องปรารถนาในการที่จะเข้าพระสมมาบัติการที่ขั้นจะเข้าผลสมมาบัติวิถีของท่านนั้นเน่ยเพราะว่าจริงๆก็คือเป็นชื่อเรื่องของการเสวยความสุขเสวยความสุขเดี๋ยวถ้าไปดูอย่างเท้าสกาเทวราชใช่ไหมเสวยสมบัติในความเป็นพระราชาของปวงเทพทั้งหลายหรือเท้ามหาพรหมเนี่ยก็ต้องเสวยความสุขในพรหมโลกทือตั้ง บุคคลเหล่านี้ล้วนแต่จะต้องมีสมบัติของตนเองเป็นที่เสวยเป็นที่ชื่นชมเป็นผู้ที่รับผลของกรรมก็แปลว่าท่านเหล่านี้ก็แปลว่าปรารถนาความสุขในทิพยสมบัติแล้วก็พรหมมสมบัติใช่ไหมไอความสุขก็ประหนีตต่างกันออกไปทีนี้คนที่อยู่ในชั้นไหนๆก็มีความเข้าใจว่าชั้นของตนเองนั้นน่าอยู่เห็นได้ชัดจากมนุษย์ของเราเนี่ยไหม คนที่สุขสบายที่สุดเนี่ยถ้าบอกว่าตายไปจะไปเป็นเทวดายังไม่อยากเป็นนะหลายๆคนนะบอกอุย้ยยังไม่อยากจะไปอยากจะอ ย, ยูย่กับลูกกับหลานถามเพราะอะไรเพราะติดไงก็คิดว่าสิ่งที่ตนเองนั้นได้นั้นน่ยมันเป็นความสุขแต่ถ้าถามบอกว่าผู้ที่อาศัยพระนิพพานให้เป็นไปเช่นพระเริ้ยบุคคลทั้งสี่นี่นะพระโสดาบานันสกาทาคานาคาได้พระลาหนเนี่ย ท่านก็ปรารถนาแต่ความปรารถนาของท่านนั้นเป็นความปรารถนาเข้าไปเสวยรดแห่งผลสมาบัติคือสุขในขณะเข้าพระสมาบัติน่ยฉะนั้นความสุขที่ได้จากการเสวยในขณะเข้าผลสมาบัตินั้นไม่มีความสุขที่อื่นที่จะเสมอเหมือนหรือเหมาะสมได้ในวิสุทธิมรรคท่านถึงแสดงไว้เลยสามัญญผลอันละงับความเดือดร้อนได้เสียแล้วมีพระนิพพานเป็นอารมณ์นั้นเป็นธรรมที่งาม งามคลายอะไรคลายเหยื่อของโลกนั่นออกเสียได้แล้วคาว่าเหยื่อของโลกนี่เป็นชื่อของอะไรเหยื่อเนี่ยอมิตรอมิตรคำนี้เป็นชื่อของกรรมคุณนเนะเป็นชื่อของรูปของรสกลิ่นเสียงสัมผัสในโลกใบนี้เฉะนั้นบุคคลที่ได้สามัญญาผลคือผลที่เกิดขึ้นจากโสดาปฏิมาคสกท า, าคามีมารคอนาคามีมารคและอรหัตมารคเนี่ยนะผลที่ได้เนี่ย แปล ว, ว่าท่านปรารถนาจะเข้าผลตรงนั้นก็เพราะผลตรงนั้นคลายเหยื่อของโลกาเมธรหรือเหยื่อของโลกมีความสงบเป็นธรรมที่สูงสุดขวางนันท่านวางนันนะาบทาไว้ด้วยความสุขที่โอชาหมดจนความสุขที่ได้จากการเข้าพระสมาบัตินี่นะท่านบอกว่าหน้าสำราญใจอย่างเยี่ยมยิ่งเดินนะทาผู้ที่ได้ดื่มดำแล้วเนี่ยนะไม่ให้ตายเพราะพระนิพานนี่เป็นชื่อของ อมตะใช่ไหมอมตะรสใช่ไหมรสของพระ น, นิพพานเนี่ยคือรสของความไม่ตายมีรสหวานปานน้ำผึ้งฉะนั้นท่านว่าท่านเปรียบเทียบในวิสุทธิมรรคบอกความสุขนั้นเป็นความสุขมีรสอันยอดเยี่ยมของอริยผลนั้นน่ะนะที่บัณฑิตที่อบรมปัญญามาแล้วเป็นอย่างดีจะได้ประสบเนะี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะการที่จะเสวยรสของอริยผลนะั้นน่ะท่านจึงเรียกว่าเป็นอนิสงค์ของวิปัสสนาภาวนาในที่นี้ ในวิสุทธิมังกรธรรนะท่านท่านว่าอย่างนั้นภริยะบุคคลผู้ที่เข้าเสวยความสุขในผลอันมีชื่อว่าสามัญผลเนี่ยจะต้องพิจารณาสังขารธรรมจะต้องพิจารณาสังขารธรรมด้วยอะไรด้วยวิปัสนาญาณเริ่มตั้งแต่ไหนเริ่มตั้งแต่อุทยาพยาญาณอุทยาพยาญานาทินนวายานิพิทายานมุนจิตุกรรมยะตายานปริสังขายานสังขารุเปกขายานอนุโลมายานอนุโลมายานตามลำดับเนี่ย จนเข้าพระสมาบัติจึงสามารถไปรับอานิพานเป็นอารมณ์ได้เนี่ยเป็นอย่างนี้นี่เป็นนี้ในที่นี้ท่านจะกล่าวไว้ในหน้าร16เนี่ยผลสมาบัติวิถีเนี่ยนะการเกิดขึ้นร1 6 1สิบหกรยเจ่ยการเข้าท่านก็จะกล่าวไว้ตามลำดับทีนี้ผลสมาบัติวิถีนี้ผวังต้นและผวังท้ายเป็นตีให้ถูกกับผวังสิบสา วิถีจิตนันตั้งแต่มโนทวารวัชนะไปจนถึงอารม์อนุโลมชาวนะครั้งที่4ถามว่าอนุโลมชาวนะครั้งที่4รับเอาสังขารและลักษณะ3อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์ส่วนผลชาวนะที่เกิดมากขนาดนั้นรับอนิพานเป็นอารมณ์พระยะบุคคลเนี่ยนะถามว่าเป็นมรนทะบุคคลก็เกิดอนุโลมชาวนานี่ยฮะสครั้งถ้าเป็นติข่าบุคคลอนุโลมก็เกิด3ครั้งนะดูตัววิถีไปด้วย มีตามหลักฐานของประธานบาลีครับท่านแสดงคําว่าอารหะโตอนุอนนโลมังพระสมาปัฏิญาอนันตรปัจเจเยนะปัจเจโยเสกขานางอนุโลมังพระสมมาปัฏิญาอนันตรปัจเจเนนะปัจเจโยเนี่ยที่บอกอกว่าชาวนาหน้าผลชาวนะที่ดีมีชื่อเรียกว่าอนุโลมะชาวนาเหมือนกันก็เหมือนกันก็หมดส่วนในวิสุทธิมังกอัตถกถาท่านเรียกชาวนาที่เกิดหน้าผลชวนะไว้สองชื่อคือโคตรภูก็เรียก แล้วก็อนุโลมชาวนาก็าเรียกเออตรงนี้ท่านเป็นความรู้นะว่าในปฐฐานให้เรียกอนุโลมอนุโลมอนุโลมถ้าหากในปฐฐานบาลีเนี่ยนะในคำพีปฐฐานเนี่ยคำภีหมหายปฐฐานเนี่ยแต่ถ้าในคัมพีวสุธิ ม, มาร์กบอกเรียกได้สองชื่อเรียกโคตระพู ด, ด้วยแล้วก็เรียกอนุโลมด้วยว่างา น, นเรียกได้สองชื่อทั้งนี้วารธาใดเหมือนกับพระบาลีก็ถือวารธานั้นเป็นประมาณ ส่วนวาท่ใดที่แปลกกับพระบาลีก็ขอให้ถือว่าเป็นมติของอาจริยาวาทนนะก็ต้องบอกว่าพระบาลีมีค่ามากกว่าถามว่าเพราะเหตุไรโคตระหน้าผลชาวนาเนี่ยนะโคตรภูนะในผลวิถีนี้จึงไม่รับเอานิพานเป็นอารมณ์เหมือนโคตรภูในมรรควิถีใช่ไหมถ้าไปเรียกว่าโคตรภูมอง อ, อไหมตรงนี้ท่านท่านเลยแย้งไว้ว่าเออก็เป็นเรื่องที่น่าคิดจริงๆเราอย่างที่เราใช้เรียนการใช้ตามปฐฐานบาลีนะ ตับตะปานบาลีตรง น, นี้ก็จะได้รู้รู้ที่ไปที่มาชัดว่าเออจริงๆที่มามาอย่างนี้นะพวกนั<ม>้นในคำพีประธานเนี่ยได้มากท่านจะถือเอาเอาอนุโลมอย่างเดียวท่านในวิสุทธิมรักบอกว่าคนนนั้แต่ท่านในวิสุทธิมรักษดีกาและอุทานอัตกถาท่านก็ให้ผลท่านให้ผลไว้นะืว่าทําไมจึงเรียกโคตรภูละ่ะถ้าในความหมายท่านบอกแปลความก็คือว่าในผลสมาบัติวิถีนี้โคตรภูยานเป็นประดุดปุเราจาลิศ ข, ของมรรคยาน จึงมีนิพพานเป็นอารมณ์ไม่ได้มองออไหมคือคือถ้าในวิสุทธิมรรคจะบอกว่าในผลสมาบัติวิถีนี่โคตรภูยานเนี่ยเป็นดุจปุเรจาริกของมัรคยานคําว่าปุเรจาริกของมรรคยานเข้าใจคํานั้นไหมเป็นโคตรภูที่เกิดหลังมรรคคือมรรคเกิดแล้วโคตรภูที่เกิดหลังมรรคจึงไม่ไปเอานิพพานเป็นอารมณ์ ถ้าเขาเกิดก่อนมรี่เขาถึงจะเอานิพพานเป็นอารมณ์เพื่อจะได้เป็นอุปการะแก่มรติเป็นอาวชนะให้กับมรตแต่ในขณะนี้เขามาเป็นปุเรจามรตคือตามหลังเกิดที่หลังมรกไม่ได้ไปเกิดก่อนมรกจึงไม่เอานิพพานเป็นอารมณ์นี่ท่านให้เหตุผลตรงนั้นเอาสังขารไงเอาสังสังขารอาไตรลักษณ์ไงอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์ก<ม>็คือท่านก็ให้เหตุผลในวิสุทธิมรตินะ แต่ในปัตฐานบาลีบอกเลยบอกให้เป็นอนุโลมอย่างเดียวแตกฐานในบาลีนะ <S <S ก็ก็ <S <S ให้ถือตรงนั้นแต่มันเหตุผลตรงนี้ก็เอาไปไปตรึกกันน่ะเอาไปสนทนากันน่ะก็เป็นเรื่องที่เออเนี่ยในอัตกถาก็ดีในในอุทานน่ะคำพูดอุทานอัตกถาก็บอกว่าเออโคตรพูก็เรียกได้แมในวิสุทธิมรดีกา เรียกเพราะอัตกรถาเรียกแล้วดีการับรองอีกอะไรเงี้ยนะดีการับรองน่เรียกที่หมายถึงว่านุโรมนาเดียวทไม่ใช่ทั้งี่นาขนาดนี้หมายถึงขเดียวรือไม่ใช่ก็ไม่ทราบว่าถ้าเอาาเอานุโรมึงถ้หมายถึงนุโมทั้งขนี้เลยปโคตรกูสี่หรือสามสี่หรือสามมั้ง เี่วิหรือห้าได้ไงอนุโลมอนุโลมไม่มีหนะ้าเนี่ยอนุโลมไม่มีห้าสี่หรือสามถ้าสี่ก็คือเป็นของมันธาบุคคณก็คงจะต้องหมายเอาอย่างนั้นนะนะหรืออย่างไงท่านบอกอนุโลมหรือถ้าอาจจะเรียกอย่างนี้ก็ได้อนุโลมอนุโลมอนุโลมพอไปถึงโกตระภูพอไปถึงขนาดที่ผลจะเกิดก็เป็นโกตระภูท่านอาจจะเอาความหมายของโกตระภูตรงนั้น แต่ว่าจริงๆคือถ้าหน้าเหตุผลแค่นี้แต่ไม่ได้เขียนวิธีให้ดูไงนั่นคือในเหตุผลแต่ว่าในย่านนี้ก็ก็ฟังเป็นเหตุผลเข้าไว้แต่ก็ไม่ควรเดือเอาเพราะว่ามีมีบาลีมีประธานบาลีลองลองไว้อยู่กล่าวไว้อยู่ในผลสมาบัติวิธีนี้ถ้าหน้าผลชาวนะเบื้องต่ำสามเกิดมหากุศลยานสัมยุจเตจีสี่นะสี่ดวง เป็นปฐมปฐมะทุติยะตติยะและเจตุทะชานผลสมาบาาัติชาวนาชาวนาที่เกิดหน้านั้นก็ต้องเป็นเป็นอะไรเป็นสมนัตินะปฐมปฐมโสดาปฏิผลน่ยนะที่เป็นปฐมนะที่เป็นทุติที่เป็นตาติที่เป็นเจตุทะชานจตุทะชานโสดาปฏิผลเนี่ยนะก็มหมากุลาศลญาณสัมปยุทธ์สมนัตินะ มหากุสัญาณสัมยุตโสมันสองดวงแต่ถ้าเป็นปัญจมะชานผลก็เป็นอุเบกขามหากุสัญาณสัมยุตสองดวงนะนั้นก็แยกกันไปถ้าผลสมาบัตเป็นของพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายชาวนะที่เกิดหน้าผลชาวนะก็เป็นมหากริยาญาณสัมยุตสี่ดวงคือถ้าเป็นอาหาถผลที่เป็นปัญจมะชานก็เกิดอุเบกขากริยาญาณสัมยุตสองดวงแต่ถ้าอาราถผล เบื้องต่ํากว่านั้นก็เป็นโสมนัณหมากิริยาญาณสามยุทธสองดวงนีการเข้าผลสมาบัติต้องเป็นเฉพาะของตนของตนก็แปลว่าคนที่เป็นพระโอดาบันเนี่ยเข้าได้แค่โสโอดาปฏิผลนะอย่าไปเข้าสกาธาคารมีผลนี่ยไม่มีหรือถ้าได้สกาธาคารมีบุคคลแล้วก็เข้าสกาธาคารมีผลเท่านั้นไปเข้าอนนาคามีผลก็เข้าไม่ได้ไม่ได้ไงเข้าอนนาคารผลเข้าสกาธาคามีผลเข้าวสโอดามีผลก็ไม่ได้ ต่างจากชานถ้าชานเนี่ยได้ชานสูงแล้วก็เข้าชานต่ำได้แต่ถ้าผลนี่ของใครของมันนะของตนของตนเท่านั้นนะคําว่าของตนของตนอย่าไปใช้คําว่าของใครของมันนะของตนของตนเท่านั้นถ้าชานเนี่ยจะเข้าถ้าชํานานก็คือเข้าจากปลายลงมาก็ได้เข้าจากต้นขึ้นไปก็ได้ เข้าตรงกลางเลยก็ไนดะ้แต่ถ้ามาร์กนี่ถ้าหากว่าเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกาทาคาอนาคาหรือพระหลักฐานก็เข้าเฉพาะอาหัตผลเท่านะั้นถ้าเป็นพระรหลันฐานไปเข้าอนาคาผลสกาทาคาผลโสดาปฏิผลนั้นไม่ได้ทีนี้การเข้าเนี่ยนะสมาบัติเนี่ยนะเมื่อพระญาติ บ, บุคคลอื่นๆที่สูงขึ้นไปก็เข้าผลของผลของต่ําไม่ได้ พราะเ อ, อต่ำก็จะไปเข้าผลสูงก็ไม่ได้เพราะเมื่อโสดาบีผลสมาเป็นผลชาวนาก็จะเกิดมากขณับเหมื่ อ, อมากเนะีการเข้าถามว่าผ ล, ลจิตเกิดมากไหมบอกมากมากนับไหวไหมบอกนับไม่ไหวเลยกระแสของผ ล, ลจิตน่ะไหลไม่ขาดสายเลยตามตามที่อธิษฐานเข้าไว้จะอธิษฐานไว้กี่ชั่วโมงอะกี่วันล่ะนี่เป็นนี้ก็จะเกิดตลอดจนกว่า จนผลสมาบัติเกิดเนี่ยนับไม่ถ้วนไม่ว่าจะเป็นโซดาปฏิผลสกาตาคาผลนาคาผลอาราตผลการเข้าพระธรรมสมาบทบัตินั้นเข้าได้ยี่สิบกภูมินะการมาสุขติภูมิเจ็ได้รรคภูมิสิบห้าได้อารูภูมิสี่เท่านั้นทีนี้การรวมผลสมาบัติไว้เนี่ยมีกี่วิถีก็รวมไปตามในเห่งการนับมรควิถีก็คือหนึ่งพันเก้ารอยี่สิบวิถีคิดสูตรเดียวกันในในในสูตรคิดส่วน การเกิดกาเมาชาหน้าหน้าหน้ามรคผลเนี่ยนะเ อ, อไปทวนอีกนิดนึงหน้ามรคสมานัตมีสิบหดวงหน้าผลชาณะสมานัตมีสิบสองดวงมองเห็นนะนะแยกออกไหมตรงเนี้ยที่ต้องตามไปดูซะมึงเนี่ยเปิดไปอีกหน้างนะต้องเปิดไปอีกหน้างเออเนี่ยไปดู